ภาษารีบุตรได้ช่วยเอาเด็กที่ยากไรมาบรรพชาจึงมีสัมมาเนนอยู่ในความปกครองดูแลอยู่ในความปกครองดูแลของภาษาริบุตรร้ายรูปด้วยกันซึ่งในบรรดาสัมมาเนนที่อยู่ในความปกครองดูแลของภาษาดิบุตรนั้นที่มีความเกลื่กล้าสามารถก็อย่างเช่นสัมมเนนราหุลผงจำกันได้นะครับสัมมาเนนราหุลเนี่ย เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะในสมัยที่ยังไม่ได้ออกพนวดนอกจากสมณีนราหุลแล้วสมณีนสังกิจจก่กสมณีนทัพพระเป็นต้นด้วยแล้วแต่เป็นสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลของพระสารีบุตรทั้งสิน้นสามท่านนี้นะคือสมณีนราหุลก็ดีสมณีนสังกิจจัก็ดี มันเน้นพัพพ้ามันละบุตรก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีบทบาทในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนอกจากนี้นะพระสารีบุตรก็ยังเป็นผู้ที่เอาใจใส่คอยดูแลช่วยเหลือภิกษุอื่นๆผู้อาพาธอีกด้วยดังปรากฏเรื่องราวมากมายนะที่พระสารีบุตรเอาใจใส่ดูแลภิกษุผู้อาพาธเหล่านั้นได้ทราบว่าในบรรดาคุณธรรมของพระสารีบุตรนั้น ท่านได้บรรลุอภิญญาใหญ่แต่ย่อมระลึกชาติได้หนึ่งอสงไขกับแสนกับคือระลึกชาติไปนในผลหลังได้ถึงหนึ่งอสงไขกับแสนกับเลยทีเดียวซึ่งในศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ภิกษุซึ่งเป็นสาวกแล้วก็สามารถรลึกชาติได้หนึ่งอสงไขยแสนมหากับนั้นมีเพียงสี่ท่านเท่านั้น 4ท่านที่ว่านี้ก็คือหนึ่งภาษาดิบุตรเถระสองพโมคคารณะเถระส า, รราพระภากรเถระส พ, พระนางพัทธกัจจานาเถรีมีสี่ท่านเท่านั้นที่สามารถรดยุทชาติได้หนึ่งอสงไขยกับแสงกลับในช่วงบั้นปลายชีวิตของภาษาริบุตรนั้นพระธรรมมัพเสนาบดีสาริบุตร ได้ทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้มิภาพภาคอยู่เสมอโดยเข้าไปสู่ที่พักกลางวันของพระบรมศาสดาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำฉันน้ำใช้เมื่อเราอันเตวาสิกทำวัดในพระเจตวันนั้นกลับไปแล้วภาษาดิบุตรก็ปัดกวาดที่พักกลางวันปูแผ่นหนังล้างเท้านั่งขัดสมาธิเข้าผลสมาบัติ พรั้นท่านออกจากผลสมาบัตินั้นตามกําหนดแล้วมีอยู่วันหนึ่งในบรรปลายชีวิตของท่านท่านเกิดปริวิตกดมริขึ้นมาว่าเอบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะปฏินิพพานก่อนหรือพระอรันตสาวกจะปฏินิพพานก่อนห น, นาะแตคือท่านคิดไปว่า ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระคระสาวกนั้นใครจะป ร, ะรินิพพานก่อนเมื่อท่านสำรวจดูแล้วก็รู้ได้ว่าโดยปกติแล้วผู้ที่เป็นอัครสาวกทั้งเบื้องขวาและเบื้องซ้ายนั้นจะต้องป ร, รินิพพานก่อนพระผู้มีพระภาคด้วยเหตุนี้ท่านจึงสำรวจดูอายุสังขารของตนก็รู้ว่าอายุสังขารของตนจะเป็นไปได้เพียงแค่เจ็วันเท่านั้น เมื่อรู้ว่าอายุสังขารของตอนจะเป็นไปได้เพียงแค่เจ็ดวันภาษาดีบุตรจึงดำดิอยู่ว่าเราจะประินิพพานที่ไหนหนอในขณะที่คุ้นทิดอยู่นั้นท่านก็ได้คํานึงถึงพระราหุลว่าพระราหุลปฏินิพพานในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านพระัญยาโกณัญญะได้ปรินิพพานในสระชัพพัน์ แล้วเราเล่าจะปฏิญญาผานที่ไหนหนอะในขณะที่คิดอยู่นั้นก็เกิดความสังเวชสะก ด, ดใจปลาลบ ถ, ถึงมารดาผูจะเป็นมารดาของกนว่ามารดาของเราแม้จะเป็นมารดาของพระอรหันต์ถึงเจรูปก็ไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยถีมารดาของพระสารีบุตรเนี่ยมีบุตรกันเจดคน ภาษาบุตรเนี่ยมีพี่น้องรวมมานดาเนี่ยจ็ดท่านนะครับเป็นชายสามหญิงสามรวมท่านแล้วก็เป็นเจ็ดเกิดในบรรดาพี่น้องของภาษาดิบุตรนั้นทั้งหมดได้ออกปวดในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระหันทุกท่านแต่ถึงแม้ว่ามานดาของระษาดิบุตรจะมีลูกบรรลุเป็นพระหันถึงเจรูปมานดาก็ไม่ได้มีความเลื่อมใส ในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เลยเมื่อใกล้เวลาที่จะประเดนิพานภาษาริบุตรเมื่อเดีปารพ ถ, ถึงมารดาของตอนขึ้นอย่างนี้ก็เดยเกิดความสังเวชสะกดจิตแล้วก็เลยพิจารณาดูต่อไปว่ามารดาของตอนนั้นจะมีอุปนิสัยหรือไม่หนอในขณะที่พิจารณาระลึกไปนั้นก็ได้รู้ได้เห็นว่า มารดาของตนมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรคผลได้สามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วภาษาริบุตรก็เลยพิจารณาต่อไปว่ามารดาของตนนั้นจะบรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยธรรมเทศนาของใครแล้วก็รู้โดยญาณวิสัยของท่านว่ามารดาจะบรรลุเป็นพระโสดาบัน โดยอาศัยการฟังธรรมจากเราหาใช่การฟังธรรมจากบุคคลอื่นไหมก็ถ้าหาว่าเราเป็นผู้พึงขวนขวายน้อยแล้วไซก็คือไม่ขวนขวายที่จะเกื้อกูลแก่บิดาบรรดาชนทั้งหลายก็อาจจะพากันกล่าวว่าเราได้ว่าเ อ, อภาษาดิบุตรเนี่ยเป็นที่พึ่งแม่แก่ชนอื่นๆมากมายแต่ การเป็นที่พึ่งของภาษาดิบุตรนั้นจริงอยู่ในวันที่ท่านได้แสดงเทศนาในส่วนของสมจิตสูตรของท่านเทวดาแสนโกดจำนวนหนึ่งแสนโกดก็บรรลุเป็นพระหันเทวดาที่บรรลุมรรคทั้งสามคือโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคนั้นนับไม้ช่วนและในการแสดงธรรมในที่อื่น ก็ปรากฏว่ามีผู้บรรลุธรรมอย่างมากมายยิงอยู่ภาษาที่บทสามารถที่จะช่วยเหลือมหาชนทั้งหลายเป็นอันมากแต่ท่านก็ไม่อาจที่กําจัดเสียซึ่งความเห็นผิดของมารดาได้เพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมิจฉาทิฐิน่ะบุคคลอื่นอาจจะตําหนิติเตียนได้ว่าภาษาทีุตรได้ช่วยเหลือคนกลางมากมายแต่ก็ไม่อาจที่จะช่วยเหลือโดยกําจัดความเห็นผิดของบารดาแห่งคนได้ ด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรจึงมีความกระตือรือร้นมีการผลขวายโดยตกลรงใจว่าเราจะเลื่องมันดาของเราออกจากมิจฉาทิฐิปลดเรื่องความเห็นผิดของมันดาแห่งเราแล้วจะประเดนิปันในห้องน้อยที่เราเตือนนั่นแหละเมื่อดำดิอย่างนี้แล้วก็โดยตัดสินใจ ที่จะเข้าไปทูลลาพระผู้มีพระภาคในวันนั้นนั่นเองเมื่อภาษาริบุทรเถระดำบิดที่จะไปทูลลาพระบรมศาสดาขออําราที่จะปฏิิพานจึงได้เรียกพระจุนทะเถระซึ่งพระจุนทะเถระเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบรรดา น, น้องของท่านภาษาริบุตรเถระได้เรียกพระจุนทะเถระว่ามากันเถิดท่านจุนทะ ท่านจงบอกภิกษุบริษัทห้าร้อยรูปของเราว่าอาวุโสท่านจงถือบาตรและจีโบนติดตามไปพระธรรมเสนาบดีประสงค์จะไปนาระกะครามเมื่อพระสารีบุตรได้กราวแก่พระจุนะเิระอย่างนี้แล้วพระสารีบุตรเองก็ได้เก็บเสนาสนะปัดกวาดที่พักกลางวัน ยืนอยู่ที่ประตูมองดูที่พักกลางวันแล้วดำริว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเราจะไม่กลับมาในสถานที่นี้อีกตลอดพระสารีบุตรเป็นผู้อันทิกษุจํำนวนห้าร้อยรูปแบดล้อมแลว้วจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา ถวายบังคมแก่พระบรมศาสดาแล้วเด็กกราบทูลเป็นบาทพระคาถาแก่พระผู้มีพระภาคได้บทเป็นต้นว่าจินโนธานิพระวิษสามิโลกาาทะมหามุนิขะมานาขะมานางนัตถิปัจชิมาวันธนาออยังชีวิตังปัปปังไมหัง อิโตสตาหะมัจยเยนิขิปายามะหังเทหังภารบโโูกรปนังยะาเป็นอาธิซึ่งแปลเป็นเนื้อความว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญขอพระผู้มิพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ขอพระสุคตจ้าทรงอนุญาต นี่เป็นการปฏินิพพานของข้าพระองค์อายุสังขารของข้าพระองค์นั้นลงลงแล้วเหล่านี้เป็นต้นก็เมื่อพระสาริบุตรได้กราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคได้บทดงที่ยกล่าวมาแล้วพระผู้มีพระภาคนั้นด้วยความที่ทรงมีพระสัพพัญจุตยานเมื่อพระสาริบุตรได้ กราบทูลราเพื่อที่จะปรินิพพานครัตนพระพุทธองค์จะตรัสว่าเธอจงปรินิพพานเถิดพวกบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็จะพากันเพ่งโทษกราวหาพระพุทธองค์ว่าพระองค์ได้ยกย่องสรรเสริญพน า, นาคุณแห่งความตายก็คือถ้าอนุญาตโดยการตรัสว่าเธอจงไปปรินิพพาน ก็เป็นเหมือนกับพระพุทธองค์กําลังกล่าวสรรเสริญถึงคุณแห่งความตายอยู่แต่ครั้นพระพุทธองค์จะตรัสว่าสารีบุตรเธออย่าได้ปฏินิพพานเลยบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็จะพากันกล่าวโทษว่ากล่าวตำหนิติเตียนพระพุทธองค์ว่าการที่พระพุทธองค์ห้ามมิให้ภาษาสารีบุตรไปปฏินิพพานนั้น พระพุทธองค์กำลังสรรเสริญคุณของวัตถุ ก, กาลังสรรเสริคุณของการเบียนบ้ายตายเกิดก็ด้วยความที่พระองค์ทรงมีพระสรัพพัญญตญาณเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดโทษแก่บุคคลทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสแม้คำทั้งสองก็คือไม่ตรัสห้ามไม่ให้ไปปฏิบพานและไม่ได้ตรัสอนุญาตให้ไปปฏิบัติาร แต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเธอจะประินิพพานที่ไหนสารีบุตรก็คือไม่ได้อนุญาตแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามเพียงแต่ถามภาษาธิบุตรว่าเธอจะประินิพพานที่ไหนภาษาธิบุตรก็เลยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์จะปฏินิพพานในห้องที่ข้าพระองค์เกิดในบ้านนาระกะแห่งแควนมคธนั้น พระพุทธองค์จึงได้ตรัส ก, กับพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงสําคัญเวลาในบัดนี้ก็การที่ภิกษุทั้งหลายมหาชนทั้งหลายจะเห็นภิกษุเช่นเธอภิกษุเช่นเธอซึ่งเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งพี่เลี้ยงจะหาได้ยากในการต่อไปเพราะฉะนั้น เธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นเมื่อพระเจระาได้ฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วท่านก็ได้รู้ว่าพระบรมศาสดาทรงหวังเฉพาะการแสดงธรรมที่ข้นต้นด้วยการแสดงฤทธิ์ของตนก็คือพระสารีบุตรเนี่ยรู้ความในใจของพระพุทธองค์ว่าต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยแสดงธรรมโดยเริ่มต้น ด้วยการแสดงลิ์ก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้พระสาริบุตรก็โดยถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วเหาะขึ้นไปในเวหาอากาศประมาณชั่วต้นตาลหนึ่งแล้วก็เหาะลงมาถวายบังคมที่พระบาทของพระทศพลต่อจากนั้นก็เหาะขึ้นไปในเวหาอากาศประมาณชั่วสองลำตาลแล้วก็เหาะลงมาอีก ถวายบังคมพระบาทของพระทศพลต่อจากนั้นก็หาะขึ้นไปในเวหาอากาศอีกทําในลักษณะอย่างนีนะ้จนได้ประมาณเจ็ชั่วลำการต่อจากนั้นพระสารีบุตรก็ได้สแสดงปฏิหารหลายร้อยอย่างเดี๋ยวจึงปารฏการสแสดงธรรมในเวลาที่กล่าวธรรมกถาในเวลาที่สแสดงธรรมนั้น ก็สาธิบุตรก็สแสดงธรรมด้วยแล้วก็เด็ดแสดงฤทธิ์ด้วยบางครั้งกล่าวสแสดงทำมกถาโดยให้มีกายปรากฏบางทีกล่าวสแสดงทำมกถาโดยไม่ให้มีกายปรากฏก็คือไม่มีใครมองเห็นพระเถระบางทีก็สแสดงธรรมด้วยกายเบื้องบนด้วยกายเบื้องล่างสแสดงธรรมให้ลำตัวปรากฏเพียงครึ่งกาย บางทีก็แสดงเป็นรูปพระจันทร์โดยไม่มีใครเห็นบางครั้งก็แสดงเป็นรูปพระอาทิตย์บางครั้งก็แสดงเป็นรูปภูเขาบางทีก็แสดงเป็นรูปทะเลบางทีก็แสดงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางทีก็แสดงเป็นเท้าเวสสุวรรณมหาราชบางทีก็แสดงเป็นเท้าสกกะเทวราชบางทีก็แสดงเป็นเท้ามหาพรหม สลับกับการแสดงธรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ในเวลาที่พระเถระได้แสดงปาฏิหาริย์พร้อมทั้งกล่าวธรรมกถาอยู่นั้นชาวพนัโคนทั้งหลายซึ่งรู้ข่าวการลาของพระสาริบุตรก็ได้มาประชุมพร้อมกันแล้วในบริเวณนั้น พระสาวิบุตรเถระจึงเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วก็เหาะลงมาได้ยืนถวายบังคมที่พระบาทของพระชศสพนในลำดับนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสถามพระเถระนั้นว่าสาริบุตรธรรมะปริญานี้ชื่อว่าอะไรพระสาวิบุตรก็เลยตอบว่าชื่อสีหานิกีรตะ นะพระเจ้าค่ะก็คือเป็นกีฬาของพราชสีมันเหมือนกับเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งโดยเป็นการละเล่นที่แสดงริ ด, ด้วยแล้วก็แสดงธรรมด้วยชื่อว่าสีหานี้กีริตาพระผู้มีพระาพากได้ตรัส ก, กับภาษาสีบุตรว่าเอาเถิดสีบทธรรมปริยานี้ชื่อว่า สีหานิกิริตะเอาเถิดสาธิบุตรกระบวนการนี้ชื่อว่าสีหานิกิริตต่อจากนั้นพระเถระได้เหยียดมือที่มีสีดังพลังสดเอื้อมไปจับที่ข้อพระบาทอันมีลักษณะเช่นเดียวกับลายเต่าทองของพระบรมศาสดา รางกราบทูลพระบรมศาสดาว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไข่กับแสนกับการบำเพ็ญบารมีของข้าพระองค์นั้นก็เพื่อถวายบังคมพระบาททั้งสองนี้ของพระองค์มโนรัถความตั้งใจของข้าพระองค์ถึงที่สุดแล้วบัดนี้ การประชุมกันในที่เดียวกันเรื่องนาาแห่งปฏิสนธิจะไม่มีอีกแล้วสมาคมก็จะไม่ได้มีความคุ้นเคยกันได้ขาดแล้วถ้าพระองค์จะเข้าเมืองคือพระนิพพานที่ไม่มีความแก่ไม่มีความตายเป็นดินแดนแห่งความกระเสมมีสุขเย็นสนิทไม่มีภยัย ก็ที่พระศาดิบุตรบอกว่าข้าพระองค์จะเข้าเมืองพระ น, นิพพานนั้นเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับก็คือโดยปกติพระอรหันตกสาวกทั้งหลายเมื่อไปนิพพานไปแล้วทั้งรูปทั้งนามดับหมดก็ะจะไม่มีการเกิดอีกความเป็นไปอย่างนั้นแหละเรียกว่าไปนิพพานเพราะฉะนั้นพระ น, นิพพานจึงเป็นธรรมที่เย็นสนิทดับสนิทปราจากเวรภยัย มีแต่ความกระเสมมีแต่ความเป็นสุขนอกจากนี้ภาษาริบดุลก็ยังได้กล่าวกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์จักปรรนิพานอันเป็นการกระทำของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายได้กระทำแล้ว ถ้าว่าพระองค์ไม่ทรงชอบพิธายโทษใดๆของข้าพระองค์การปฏิบัติทางกายทางวาจาของข้าพระองค์ที่เป็นโทษแก่พระองค์นั้นขอพระองค์ทรงปลดโทษนั้นด้วยถ้าแต่พระผู้มีพระภาคนี้เป็นการตายของข้าพระองค์คือภาษารีบุตรเนี่ยเคยได้เห็น พระผู้มีพระภาคที่ชื่อว่าพระอนุมาทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยแต่งตั้งสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นเอตัทคะเป็นเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านความเป็นผู้มีปัญญาะเพราะฉะนั้นเมื่อพระสาบุตรได้เห็นอย่างนั้นก็โดยบำเพ็ญบารมีมาตลอดหนึ่งอสงไขยแสนมหากับ และก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเพื่อเหตุนี้ภาษาริบุติงกล่าวว่าการได้กราบพระบาทพระอนมาทัศนสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการกราบพระบาทของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกการกราบพระบาทของพระองค์ในครั้งนี้เป็นการกราบพระบาทเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปนี้ การสมาคมความคุ้นเคยการที่จะได้ใกล้ชิดกับพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นอันขาดแล้วมิได้มีอีกต่อไปนอกจากนี้ภาษาริบุตรก็ยังได้ละลึอกต่อไปว่าที่ผ่านม า, าการกระทำของข้าพระองค์ที่เป็นไปทางกายทางวาจาเป็นการล่วงละเมิด ตพระพุทธองค์แล้วขอพระองค์จงอดโทษเหล่านั้นให้แก่ข้าพระองค์ด้วยพระพุทมีพระภาคด้ตรับตอบว่าสาบิตเราอดโทษต่อเธอก็โทษอย่างไรอย่างไรของเธอที่เป็นไปในทางกายหรือทางวาจาอันเป็นที่ไม่ชอบใจของเรานั้นไม่มีเลยสาริต บัดนี้เธอจงสำคัญการเวลาอันสมควรเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเช่นนี้ภาษารีบุตรเทระก็ได้ถวายบังคมพระบาทของพระศาสดาต่อจากนั้นก็ลุกขึ้นในดำดับที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้วในขณะนั้นนั่นเองแผ่นดินใหญ่แม้ที่กำหนดนับด้วยภูเขาสิเีรุ แผ่นดินใหญ่ที่มีกําหนดนับด้วยภูเขาจั ก, กรวาลภูเขาหิมพานภูเขาปริพันธ์แผ่นดินเหล่านั้นได้ร้องขึ้นแล้วกล่าวพร้อมกันได้มีการสั่นสะเทือนวันไหวดุจจะกล่าวว่าเราไม่อาจที่จะทรงกองแห่งพระคุณนี้ไปได้ในวันนี้มหาปัทตภีใหญ่ได้ไหวแล้ว จนถึงน้ําเป็นที่สุดหรือโดยปกติเนี่ยแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ํามีน้ํารองรับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมหาปฏภีใหญ่ได้เกิดอาการวันไหวการวันไหวนั้นจึงกระทบกระเทือนไปถึงน้ําอันเป็นที่รองรับพื้นปฏภีผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแผ่นดินซึ่ง ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกแผ่นดินจะเกิดอาการวันไหวจากการอัมราจากการจากไปของพระสารีบุตรได้อย่างไรข้อนี้ก็จะเฉลยว่าแท้จริงแล้วการไหวของแผ่นดินนั้นมีด้วยการเจ็ดประการมีการไหวเพราะพระโพธิสัตว์ประสูตรตรัสรู้สแสดงปฐมเทศนา และกรงพระชนมายุสังขาตรตลอดจนปริธานเป็นต้นนั่นเป็นเพราะนะเทวดาที่ประจําอยู่บนแผ่นดินไม่อาจทนต่อความเศร้าโศกเสียใจของมหาชนที่รับรู้ถึงการจากไปของพระผู้มีพระภาคได้หรือบางครั้งแผ่นดินที่วันไหวมหาปฐพีที่ไหวนั้นก็ไหวด้วยอํานาจของท่านผู้มีฤทธ บางครั้งก็ไว้นะด้วยอํานาจของลมลมที่รองรับน้ําเนี่ยมันเกิดอาการเคลื่อนตัวพอลมเคลื่อนตัวน้ําก็คลอยเคลื่อนตัวไปด้วยโดยปกตินะแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ําพอน้ําเคลื่อนตัวแผ่นดินก็คอือเออก็เลยเกิดอาการเคลื่อนตัวไปด้วยจึงค่อยเกิดอาการที่เป็นแผ่นดินไหว แต่การที่แผ่นดินไหวในเวลาที่พระสารีบุตรเถระกล่าวคําอําราพระผู้มิพระภาคเพื่อที่จะปรินญาพานนั้นพึงทราบว่าก็การที่แผ่นดินไหวในลักษณะอย่างนี้ในครั้งนี้เป็นไปด้วยอำนาจของเทวดาที่ประจำอยู่บนแผ่นดินเทวดาเหล่านั้นมิอาจที่จะทนเห็นความเศร้าโศกของมหาชนได้ จึงพากันสั่สะเทือนวันไหวเพราะนั้นการไหวอย่างนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของเทวดาที่อยู่ในประจำแผ่นดิ น, เ, นเพราะฉะนั้นพระธัตถาจารย์จึงกล่าวไว้ในคำเพีสารถะประกาศนีอัตถาแห่งสังยุตติการมหาวารวักในจุนทสูตรว่ามหาปัตถีไม่อาจที่จะ ทรงกองแห่งพระคุณไม่อาจทิจนะดำรงนิ่งอยู่ได้เพราะฉะนั้นมหาปัตตพีได้ไหวแล้วไปจนถึงน้ำเป็นที่สุดนอกจากนั้นเทพมหระทึกในอากาศก็บนล่งขึ้นมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วยังให้ฝนโบกขอรพัพตกลงผู้ที่เคยฟังพระเวสสันดรชาดกคงจำได้นะครับว่า ผลบกขรพัดนั้นจะตกลงในเวลาอันที่เป็นการพิเศษซึ่งผลบกขรพัดนั้นเป็นผลที่มีลักษณะที่เป็นที่น่าอัศจรรย์คือมีสีแดงอ่อนๆแล้วก็บุคคลใดต้องการให้เปียกก็จะเปียกบุคคลใดไม่ต้องการให้เปียกก็จะไม่เปียกท่านคือ อาการความเป็นไปของฝนโบกขอรพัทนะครับเมื่อฝนโบกขอรพัทตกลงแล้วพระศาสดาทรงดำริว่าเราจะให้พระธรรมเสนาบดีสาริบุตรแสดงโดยเฉพาะดังนี้แล้วพระองค์จึงลุกขึ้นจากที่ฟังธรรมก็คือต้องการที่จะให้พระสาริบุตรได้ มีบทบาทในการกราวคำอําราแก่พิสุท์ทั้งหลายและแก่มหาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงลุกขึ้นจากที่ฟังธรรมเสด็จมุ่งหน้าต่อพระคันทักุดีได้ประทับยืนบนแผ่นแก้วพระเฉระได้ทำประทักษิณเนะวียนขวาทำความเคารพพระบรมศาสดาสิ้นสามรอบ ก่อจากนั้นก็ถวายบังคมในทิศทั้งสี่แล้วกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคทับจากนี้ไปก่อนหน้านี้หนึ่งอสงไขยแสนมหากับถ้าพระองค์ได้ได้หมอบลงที่ใกล้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระ น, นามว่าพระอนุมาทตีสัมมาสัมพุทธเจ้า การกราบพระบาทของพระอนุมัติีสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นก็เพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นพระองค์ความปรารถนาของข้าพระองค์นั้นสำเร็จแล้วข้าพระองค์ <am> mm> ได้เห็นพระองค <England> ์แล้วการเห็นพระอนุมัติทศีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการเห็นครั้งแรกเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกนะครับ แม้จะเป็นพระพุทธเจ้าคนละองกันก็ตามแล้วการเห็นนะพระองค์ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเห็นพระองค์การเห็นพระผู้มีพระภาคจะไม่ได้มีอีกแล้วเมื่อกล่าวดังนี้แล้วนะพระศาสดาบุตรเถระก็ได้ประคพองอัญเชอรีซึ่งรุ่งเรืองด้วยการประชุมแห่งนิ้วทั้งสิบก็คือเป็นการพนมเมื อ, อนงดงามนะครับรุ่งเรือง สวยสดงดงามด้วยนิ้วทั้งสิบต่อจากนั้นก็ได้หันหน้าเฉพาะก็คือหันหน้าเข้าหาพระพุทธองค์โดยเดินถอยหลังนี่อนมยมือขึ้นหันหน้าเฉพาะตรงต่อหน้าพระพุทธองค์แล้เดินถอยหลังถอยกลับไปนะเดินถอยหลังกลับไปจน ไม่สามารถที่จะเห็นพระผู้มีพระภาคในครองจักสุตรได้ต่อจากนั้นภาษาริบทก็ได้หันหลังกลับแล้วเดินหลีกไปเพราะถึงช่วงนี้มหาปัตภพีก็ไม่อาจที่จะทรงไว้ได้ไม่อาจที่จะนิ่งเฉยอยู่ได้มหาปัตภพีใหญ่จึงไหวขึ้นไหวจนถึงน้ำรองรับแผ่นดิน เป็นการไวรหว้ด้วยอำนาจของเทวดาที่ประจำอยู่แผ่นดินตามที่เปล่ามาแล้วนะครับถ้าผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายที่ยืนแวดล้อมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงติดตามที่ชายของพวกเธอเถิดก็เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้แล้วในขณะนั้นบริสัททั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาบริษัทเหล่านั้นต่างพากันละจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า